เป็นไงจีรัตถ์หลงกันบ้านก็ก็ใช้ได้อะครับไม่โมหะไม่ได้เยอะอะไรมากใช้วิธีไหนตอนนี้ใช้วิธีไหนอะครับตอนนี้เวลามีโมหะขึ้นมาแล้วมันจะไม่ชอบอะครับพอไม่ชอบเสร็จมันจะมันจะเข้าไปดูแต่ว่าเวลามันจะเข้าไปดูไอ้ที่กว้างๆอยู่มันจะหุบเข้ามานิดนึงอครับพอมันหุบมาแล้วมันก็ มันก็ชะงักลงมันมันก็เลยไม่เข้าไปยุ่งกับโมหะครับตรงต้องออกมาที่กว้างๆมันแค่รู้ทันเกิดจากการที่เรารู้ทันว่ามันจะหุบแต่ไม่อยากให้เกิดเพราะว่าเราไปผลักมันออกถ้าเราจงใจไปผลักออกแล้วเราจะไปอยู่กับความว่างนั้นจะเป็นของปลอมทีที่แรกที่แรกมันมันชะงักเองผมนึกว่าผมคิดไปเองเหมือนกันนะครับก็ คือใจมันจะปรุงแต่งนะียถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันการปรุงแต่งของเขานั่นเรียกได้หยุดไปเลยขาดไปเพราะงั้นอย่างหลวงพ่อจะบอกเรื่อยๆเลยว่าตอนที่เราตื่นนอนใหม่ๆเนี่ยตัวเนี้ยเป็นนาทีทองของนักปฏิบัติตื่นนอนแล้วตื่นปุ๊บเนี่ยคนทั่วไปชอบซึมๆต่อไปอกช่วงนึ่งแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงๆตอนตื่นนอนนะให้รีบรู้ทันรีบสังเกตจิตมันจะทํางาน เวลาที่เราเข้าไปติดในสภาวะอะไรที่เราดูไม่ออกนะอย่างเราติดทั้งวันเลยนะติดอยู่อย่างนั้นนะตอนตื่นนอนให้รีบรู้เลยมันจะเห็นแล้วมันจะไหลกระดึ๊บกระดึ๊บเข้าไปช่องเดิมนั่นแหละอเรารู้ทันว่ามันจะเข้าทางนี้นะต่อไปมันจะไม่เข้าไม่เข้าเองอะ่ะอย่างใจเรามันจะไหลเข้าไปถูกโมหะครอบมันจะไหลเข้าไปถ้าเรารู้ทันนี้มันก็ไม่เข้ า, างั้นตรง ตื่นนอนปุ๊บนี่นะเป็นนาทีทองเลยใครรู้สึกเอาหลวงพ่อก็ใช้วิธีนี้สังเกตนะเพราะเราไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ๆหลวงพ่อปฏิบัตินี่ไปเรียนจากครูบาอาจารย์ไม่มากหรอกแต่ใช้การสังเกตเอาเราไม่มีโอกาสใกล้ชิดครูบาอาจารย์มากนะัก3มเดือน4เดือนไปหนหนึ่งอย่างตอนหลังๆเนี้ยตอนมาภาวนาที่สวนโพธนะัครูบาอาจารย์ตายไปหมดแล้ว ไม่เหลือแล้วองค์สุดท้ายที่เรียนกับท่านนะคือหลวงปู่สุวั์ก็ไม่อยู่แล้วสิ่งที่ช่วยเราได้คือการสังเกตเอาะั้นถ้าขาดกาลยานามิตรคือครูบาอาจารย์เนี่ยโยนิโสมนักสิการสําคัญที่สุดเลยแล้วจุดที่สังเกตได้ชัดเจนที่สุดนะคือตอนตื่นนอนตอนที่จิตมันเพิ่งเริ่มทํางานอนะเอามันขึ้นจากผวังนะเราคิดตื่การปฏิบัติปั๊บจะเข้าช่องเดิมเลยยังบวชปีแรก นี่รแรงเช้าขึ้นมาจิตสว่างจ้าเลยแล้วสบายอยู่งั้นนะนะอยู่ไปหลายวันแล้วไม่ใช่นะนิพานอะไรมองๆได้นิพานจอมปลอมนี่มีเข้าเข้าออกออกได้นะครูบา <c oughs> อาจารย์เคยสอนนะนิพานไม่ใช่เข้าเข้าออกออกนะเราสังเกตเแล้วมันไปหลงตรงไหนเนี่ยไปเดินผิดตรงจุดไหนเนี่ยมองไม่ออก งค่อยๆสังเกตตั้งแต่ตื่นเลยอ๋อมันผิดตั้งแต่ตื่นถ้าตื่นนอนทันทีที่คิดเรื่องปฏิบัติปุ๊บนะมันจะไปหยิบช่วยจิตขึ้นมามาดูกุ๊กเก๊กกุ๊กเก๊กสองสามทีนะแล้วก็ทําเป็นวางไปนี่แกล้งวางได้ด้วยนะโอ้เจ้าเล่ห์แสนกลนะกิเลสนะในการไปหยิบมาพลิกซ้ายพลิกขวา2ทีนะแล้ววางแล้วก็เราเราไม่เห็นตรงที่ไปหยิบช่วยขึ้นมาแล้วก็จงใจวางลงไป ก็โอ้ว่างตลอดว่างตลอดของเกสแท้เลยสภาวะอะไรที่รู้ทันเราถึงจะผ่านได้ถ้ารู้ไม่ทันก็ไปติดกับมันอยู่กระทั่งสภาวะของโมหะโมหะเป็นสภาวะที่ดูยากที่สุดโมหะมีหลายแบบนะโมหะไม่ได้มีแค่มืดมืดโมดมวลเดียวใจที่ฟุ้งซ่านก็เป็นโมหะอย่าว่าแต่ฟุ้งทางโลกเลยนะฟุ้งในการปฏิบัติก็เป็นโมหะนะ งั้นกิเลสเนี่ยพอถึงขั้นที่มัละเอียดจริงๆนะอุ้ยดูยากหน้าตามันเหมือนกุศลอย่างใจเราค้นคว้าพิจารณาธรรมะนี่แหมหมุนจี๋จีทั้งวันเลยนะค้นคว้าธรรมะทั้งวันดูแหมรักในปัญญามากน ะ, จะเจริญปัญญาฉเฉลียวใจนิดเดียวเห็นนี่มันฟุ้งซ่านชัดๆเลยนะมันฟุ้งในธรรมะโอพารู้ทันนะก็ขาดไปนะ รู้ไม่ทันก็หมุนอยู่อย่างนั้นแหละภูมิ อ, อกภูมิใจด้วยนะว่าโอ้รู้ธรรมะคนกว้าใหญ่ี่ครูบาอาจารย์บอกตอนตะลุมบอล น, นี่นะหมุน จ, จี๋จี๋จี๋จี๋ทั้งวันทั้งคืนนะคนในอายตนะทั้งหลายเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจคนอยู่เงนีน้คนอยู่ในธาตุคนอยู่ในขันคนอยู่ในอายตนะคนงั้นอยู่ที่เราต้องรู้ทันมันใครดูตั้งแต่ตื่นดีที่สุดโตเป็นไงโต โมหะดูยากยากก็วันแรกตั้งแต่ปกติทานสามมื้อไม่เป็นทานมื้อเดียวกายก็อุทธรเลยครับท้องร้องทั้งวันกายเลยนะกายอุทธรอืท้องร้องทั้งวันเลยจิตก็แวบเดี๋ยวก็เอ็เดี๋ยวก็เคเซเดี๋ยวก็โออิชิพอวันที่สองท้องก็ยังร้องเหมือนเดิมครับแต่จิตคราวนี้ไม่ใช่แล้วจิตร้องเพลงทั้งวันเลยครับ สึกจิตมีความสุขพอกลางคืนก็ทําสมาธิสองวันแรกนี่ฟุ้งครับวันที่สามจิตดิ่งเร็วมากะครับอาจจะเพราะว่าเดินมากตอนกลางวันอืพอดิ่งเร็วก็ไม่แน่ใจว่าเพรากดติอยู่บ้านนี่ทําไม่ค่อยได้อย่างนี้ก็ลองถอยออกมาแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ก็ดิ่งอีกพอดิ่งอีกก็เลยเอาจิตไปดูกายโดยรวมนะครับจิตก็ไม่ยอมไปก็เปลี่ยนใหม่ ไปดูส่วนปริกย่อยเกสาโลมานะคะตั้งตาไล่ไปจิตก็ไม่ยอมไปไหนก็ยังนิ่งเยื่นแต่แต่ไม่ได้แช่นะครับก็รู้ว่าไม่ได้แช่ก็เลยก็ก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งก็ถอยออกมาแล้วก็พอถอดออกมาเนี่เหมือนกับแบตเตอรี่ชาร์จไฟเต็มนะครับออทั้งตัวนี้เหมือนกั บ, ก, บกระเป๋ามากสดชื่นมากแบบตาสว่างใสแหววเลยครับ ออตอนนั้นรู้สึกว่าอยากจะกระโดดออกมานอกกุฏิวิ่งจ็อกกิ้งรอบสวนสันติธรรมเลยแต่มเมาเงินก็ก็รู้ก็รลงังเงาไปแล้วก็เดินเดินจมครมอยู่ในกุฏิต่อสักพักหนึ่ง ก, ก็เดินออกมาพอออกมาเดินข้างนอกตอนตีสี่กว่านะครับเหมือนเด็กได้ของเล่นนะครับ ม, มีความสุขมากเดินอยู่รอบหนึ่งก็พอสักพักหนึ่งชอหยุดจะหันกลับไปเดินต่อก็รู้สึกจิตตะโกนออกมาว่ามีความสุขมากที่สุดเลย ยังสุดนนโลกเลยแล้วก็จะเอาอะแรงแรกก็ไม่ยอมเอตัวเองก็รู้สึกเหมือนกับมีเหมือนกับความสุขแล่นพล่านไปทั่วหมดครัก็รู้สึกดีมากพอหันกลับไปจะเดินตรงกลมต่อก็ปรากฏว่าจู่ๆน้ําตาก็ทะลักออกมาร้องไห้แบบชนิดเสกสะอื้นเลยครับอืก็รู้สึกว่าอะนคงเป็นปิตินะครับเป็นนึกถึงว่าเอ๊ยแล้เามาื่อครั้งสุดท้ายที่ร้องไห้นี่เมื่อไหร่ก็นึกถึงเมื่อสามปีที่แล้วแต่ตอนนั้นมันทุกข์มาก ก็มนนึกวเอ๊ะสุขก็ร้องไห้ทุกก็ร้องไห้ <ừ> แล้วมันก็เกิดขึ้นมันก็ดับไปอื <ừ> จิตก็นิ่งเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับแล้วก็เดินต่อถึงเช้าเดินอย่างไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยอครับค็ดีคือเราสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นนะเงียบเลยให้มันครอบงําได้ความสุขท่วมท้นมาสติก็แตกได้นะออื อยากรู้คือว่าทําไมพอจิตนิ่งดิ่งดีแล้วครับแล้วพอจะเอาไปดูกายจิตก็ไม่ไปไหนมันยังยังพักไม่พอคือจิตเวลาเขารวมน ะ, อ, ะอย่าไปถอนเขาขึ้นมาถ้าจงใจถอนขึ้นมาจะปวดหัวเลยบางทีให้เขารวมไปพอเขารวมเต็มที่เขาถอยขึ้นมาไหมันเหมือนพักเต็มที่ละมีพลังนี่จิตที่มีพลังเนี่ยบางทีดิดดิ้นโลดผลขึ้นมาถ้ารู้ไม่ทันอย่างปีติเกิดขึ้นปีติครอบงำอย่างแรงนะ ก็ไปหลงไปเป็นวิปัสสนูก็ได้นะนึกว่าบรรลุและหรือใจว่างไปหมดเลยมองอะไรนะทะลุทะลุทะ ล, ทะลุโลกราบเป็นหน้ากลองไปหมดเลยก็ได้กำลังของสมาธิทำได้หลายอย่างเห็นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะมีสติไว้รู้ทันใจของเราใจของเรามันดิดดิ้นโลดโผนขึ้นมารู้ทันมั น, มนก็แสดงใจรักอีกไม่ว่าอะไรก็ดูลงเป็นใจรักไปเลยเราภาวนาเนี่ยไม่ได้เอาอะไรสักอย่าง ไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาอะไรทุกอย่างฝึกให้เห็นเลยทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปจิลัตโตฝึกได้ดอ่ะหมอรีนี่จิรัตโมหะมันน้อยลงแล้วดูออกไหมคืออย่าปล่อยให้จิตนิ่งจิตของจิรัตต้องให้มันทำงานให้มันค้นคว้าอยู่ในกายในใจค้นคว้าตาหูจมูกลิ้นกายใจค้นคว้าอยู่ในธาตุในขันอะไรเงี้ยให้มันทำงานอย่าให้มันเฉย ของโตจิตมันรวมเป็นสมาธิก็อย่าไปฝืนมันพอมันรวมพอแล้วมันขึ้นมารู้กายรู้ใจก็แล้วแต่มันละเรามีสติตามรู้อย่างเดียวนี่อย่างมันเกิดปิติเราเห็นปิติผ่านมาผ่านไปเห็นทุกอย่างผ่านมาผ่านไปเห็นอยู่อย่างนี้เวลาที่จิตทรงสมาธิอยู่แล้วเราเห็นสภาวธรรมเนี่มันจะทราบซึง้งมันจะทราบซึ้งถึงอกถึงใจมากกว่าอยู่ๆก็ดูเอาข้างนอกอย่างนี้ไม่ทราบซึ้งเท่า ของผม ว, วันวันแรกเจอโมหะเยอะง่วงมากทั้งวันแล้วก็จากที่อาจารย์บอกก็คือจิตมันไม่ลงฐานก็พยายามมองก็ยังเห็นอยู่ว่าจิตมันเหมือนมีม่านอะไรอยู่ที่ทําให้จิตมันไม่ลงมันบังเอาไว้พยายามทําอย่างที่อาจารย์บอกคือรู้ว่าเนี่ยมันจิตยังไม่ลงเห็นโมหะเห็นตัวกันอยู่จิตก็ไม่ลงแถมโดนโมหะกินผู้รู้อีกคันนี้สลบําอยู่หลายทีก็ไม่ผ่าน ก็ต้องเปลี่ยนวิธีก็ไปใช้ก็เดินจงกรมถ้าเดินจงกรมเนี่ยก็จะรู้ขึ้นมาหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือนั่งสมาธิแล้วให้มีเวทนากล้าพอมีเวทนากล้ากล้านี่มันจะผู้รู้จะตื่นเนตัว ส, สังขารมันจะโผล่ชัดๆให้เห็นเราก็จะรู้อ่ะแล้วเราก็ดูต่อได้คือเราถนัดที่จะใช้อารมณ์กรรมฐานเผ็ดร้อนเราก็ใช้อารมณ์เผ็ดร้อน แล้วก็ดูอย่างเผ็ดร้อนของเราไปแต่และคนหน้าทางใครทางมันไม่ซ้ำทางกันหรอกนี่เราดูเวทนาแล้วตัวรู้เด่นขึ้นมาเราก็รู้เวทนาไปเรื่อยก็ดีจิตดีทรมานอา้าว <c oughs> เห็นทุกข์นะ <c oughs> เห็นได้ทุกข์ล้วนๆเลยเดิมโง่คิดว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง พอสติปัญญามันแก่ขึ้นมาจริงๆเห็นทุกข์ล้วนๆเลยมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขก็จิตก็จะเริ่มตั้งมั่นขึ้นมา <approach this. S 2> จนกระทั่งเมื่อวาน <c oughs> เราก็พอนั่งๆไปเนี่ย <c oughs> ก็เห็นเห็นเบตนาเห็นจิตสังขารวิ่งอยู่นะปั่นแล้วเราก็มองอยู่ <Esse. S 2> เป็นผู้รู้มองอยู่สองข้าง <Esse. S 2> <c oughs> ท้ายสุดทุกอย่างมันก็สงบลงเองได้ก็ดับลง เราไม่ได้ฝึกเพื่อให้ทุกอย่างสงบดับแลยนะฝึกให้เห็นความจริงนะทุกอย่างมันเป็นไตรลักษณ์ครับนะอะคุณวิชาส่งกันบ้านส่งเลยนะส่งเลยครับก็วันก่อนได้ยินหลวงพ่อพูดว่าสติชัดเนี่ยเป็นตัวพิปัสสนุปกิเลสกับจิตตั้งมั่นเนี่ยบางทีมันเกิดหลังเลขึ้นมาว่าเอ๊ะมันอยู่ในภาวะยังไงเนี่ยฮะเวลาที่สติมันชัดนะ้นมคมกริบเลยมคมเหนือจริง มองอะไรนะคมคลิปไปหมดเลยกรทั้งมองอากาศนะเหมือนจะนับเม็ดของอากาศได้อากาศเป็นเม็ดๆนะเออเห็นเต็มไปด้วยอนุนะมองลงมาในใกายในใ น, ใ น, นี้เป็นอนุไปหมดเลยนะมันเกินธรรมดาไปหน่อยที่ทาอยู่นี่ไปติดอยู่ไหมฮะจงใจยังไม่เลิกดูออกไหมแข็งกว่าความเป็นจริงพอมันใกล้เข้ามามันเตรียมจะสู้กับหลวงพ่อมันก็ตั้งขึ้นมาดูไป เราลูกฟิตที่ดีทั้งเตรียมสู้เป็นโรคประจำที่นี่เป็นแกบเกือบเกือบกับทุกคนอ่ะนะพอใหม่เข้าใกล้ๆแข็งแข็งเนี่ยตอนนี้หมอตุ๊กนะไม่ได้มีความสุขเลยนะอะไรนะจะเอาอะไรเยอะไม่ได้ฝึกเอาอะไรเยอะๆนะฝึกเอาปัจจุบันหนึ่งขนาดจิตต่อหน้านี้แหละ นะรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏในปัจจุบันคาว่าสภาวะก็คือรูปธรรมานามธรรมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเช่นความโลภเกิดขึ้นแลนะรู้ความหลงเกิดก็รู้ความโกรธเกิดก็รู้นะสุขทุกข์เกิดก็รู้นะี่รู้ลงปัจจุบันทีลักขณะทีลักขณะจนปัญญามันแจ้งนะทั้งหมดนั้นเกิดแล้วดับหมนเกิดแล้วดับทีแรกเราเห็นลักษณะเฉพาะของสภาวะธรรมแต่ละอย่าง เช่นความโลภความโกรธความหลงนี่แต่ละตัวนี่ไม่เคยเหมือนกันมันทําให้เราแยกได้ว่าสภาวะทั้งหลายนี่แต่ละตัวแต่ละตัวนี่ไม่ได้เชื่อมต่อกันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปอันนี้เราเห็นเขาเรียกว่าเห็นวิเสศลักษณะลักษณะเฉพาะตัวของสภาวะธรรมแต่ละอย่างการที่เราเห็นวิเสศลักษณะคือเห็นตัวสภาวะธรรมแท้แทนี่เราจะเห็นในในตัวสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวไม่มีตัวเรา อย่างถ้าเราสติระลึกรู้ความโกรธเกิดขึ้นสติระลึกรู้ขึ้นมาได้จะเห็น eze. ความโกรธไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในความโกรธความโกรธไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นนามธรรมอันนึงที่เกิดขึ้นมาจิตใจที่ไปรู้ความโกรธนะก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นนามธรรมอีกอย่างหนึ่งไปรู้เข้าร่างกายที่ตั้งอยู่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นรูปธรรมที่เราไปรู้เข้า มันจะเห็นในสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวนะถ้าเราเห็นลักษณะเฉพาะของตัวสภาวะแต่ละตัวเราจะพบว่าสภาวะแต่ละตัวไม่ใช่ตัวเราไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลต่อไปปัญญาแก่รอบไม่ได้มองทีละตัวละเวลาปัญญาแก่รอบมันจะมองภาพรวมทุกๆตัวเกิดระดับทุกๆตัวมีสามัญลักษณะคือลักษณะร่วมกันมีความเป็นไตลรลักษณ์ร่วมร่วมกัน พอเห็นว่าทุกตัวเป็นไตรลักษณ์ร่วมกันนะจิตจะปล่อยวางวางทุกตัวพร้อมๆกันจะไม่ได้วางทีละตัวของเราทีแรกเรายังไม่เห็นสามัญลักษณะยังไม่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันเราเห็นทีละตัวเพราะงั้นเราจะปล่อยได้เป็นตัวตัวบางตัวก็ปล่อยได้บางตัวก็ปล่อยไม่ได้บางตัวปล่อยช้าบางตัวปล่อยเร็วปัญญามันยังไม่พอแต่ว่าเห็นได้ทุกตัวไม่มีเรารู้สึกไหมแต่ละตัวไม่มีเรานะร่างกายเนี่ยพอเรามีสติขึ้นมาไม่มีเรา ความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์นี่พอมีสติขึ้นมาไม่มีตัวเราแต่พอขาสติแล้วเกิดตัวเรางั้นทันทีที่เกิดสติไปเห็นสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวมันก็ล่าความเห็นผิดว่าสภาวะแต่ละตัวเป็นตัวเราแต่จิตใต้สํานึกมันยังคอยคิดอยู่มีตัวเราอีกตัวหนึ่งอยู่นะไอ้ตัวพวกนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่ตัวเรายังมีอยู่ลึกๆมันยังคอยรู้สึกเงี้ยจนกระทั่งมันเห็นสามัญลักษณะเห็นลักษณะร่วมของทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวเราตัวนี้ถึงจะเกิดมรรคขึ้นไหมถ้าละเด็ดขาดถ้าละด้วยสติละสกายะทิฐิด้วยสติมีสติแต่ละครั้งแต่ละครั้งสกายะทิฏฐิดับนะจะดับชั่วขณะแล้วก็เกิดใหม่ก็เผลอก็เกิดใหม่ตอนที่อริยมรรคเกิดแล้วนี่ละเป็นสมุทเฉดถึงเผลอก็ไม่เกิดอีกพระโสดาบันไม่ใช่ไม่เผลอนะอเราะวาดภาพ พระริยาเกินจริงพระโสดาบันกิเลสเยอะนะพระสกิทาคารนะกิเลสน้อยหน่อยแต่ยังมีกิเลสพระนาคาก็ยังมีราคะนะแต่ราคะในความสุขในความสงบไม่ใช่ราคะในกามเราไปวาดภาพเกินจริงหรือพระอราหันต์นะยังกระดุกกระดิกได้นะไม่ใช่พระอราหันต์ห้ามกระดุกรดดกระดิกแลกระดุกกระดิกแล้วมีกิเลส ถ้าพระอรหันต์ต้องนั่งนิ่งๆห้ามกระดุกกระดิกนะก็มีกิเลสอีกตัวหนึ่งเรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิเห็นว่าเป็นพระอรหรันต์เราต้องเฉยๆน้าเราอย่าไปวาดภาพอะไรที่เกินธรรมดามากไปเพราะเราวาดภาพเกินธรรมดานะี่มันท้อถอยที่จะปฏิบัติพระโสดาบันไม่ใช่มนุษย์ลึกลับอะไรหรอกก็คือคนธรรมดานี่แหละแต่ว่าจิตใจมันยอมรับความจริง ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นดับไปทั้งสิ้นใครมัยอมรับเท่านี้เองเห็นในตัวเราจริงๆไม่มีหรอกมีแต่ของที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับไปตามเหตุของมันรู้เนี่ยผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเห็นเห็นมาเผลอไปเนี่ยมันเห็นสิ่งอื่นแสดงไตรักษ์แต่พอจิตผู้รู้หลงไปมันไม่มีใครมารู้ไตรักษ์นะหลวงพอ่อมันจะต้องรู้ตามหลัง มันเหมือนกับว่าน้อมคิดเอาว่าเมื่อกี้หลงไปไ ม, ไม่ใช่มันจะต้องมีตัวผู้รู้อีกตัวหนึง่งมาระลึกรู้ว่าตัวผู้รู้เดิมมันดับไป<ค>เป็นผู้หลงคือรู้ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งอ่ารู้อีกครั้ง<ค>นี่ต้องมีสติอีกตัวหนึ่งมีจิต ท, ที่ประกอบด้วยสติปัญญายอีกตัวหนึ่งไปรู้ไปรู้เพราะมันเป็นการตามรู้ตามรู้ตามไปเรื่อยๆไม่เหมือนรู้กายนะรู้รูปเนี่อรู้ลงปัจจุบันได้แต่เวลารู้นามเนี่ยต้องรู้ตามหลัง ยังจิตเลจิตรู้สึกตัวอยู่รู้อยู่จิตเผลอไปตรงที่เผลอเนี่ยรู้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้สึกขึ้นมาอีกทีหนึ่งจะรู้ว่าก่อนหน้านี้รู้สึกตัวแล้วดับไปกลายเป็นเผลอเผลอแล้วดับไปกลายเป็นรู้สึกเห็นอย่างนี้เห็นซ้ำซ้ำซำลงไปเขาดีแล้วที่เบื่อถ้าดูแล้วก็ไม่เบื่อเลยก็ประหลาดนะ <c oughs> ภาวนาไปเห็นความเกิดดับไปช่วงหนึ่งใจมันจะเบื่อบางคนไม่เบื่อบางคนรู้สึกน่ากลัวบางคนรู้สึกเวิ้งว้างหาที่พึ่งไม่ได้บางคนรู้สึกเบื่อบางคนรู้สึกมีแต่ทุกข์ล้วนๆมีแต่โทษหาสิ่งที่มีคุณประโยชน์ไม่ได้เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมากับผู้ปฏิบัติทั่วๆไปเมื่อสภาวะแห่งความกลัวความเบื่อความเห็นทุกข์เห็นโทษอะไรเกิดขึ้นมานะให้สักว่ารู้สักว่าเห็น ตัวสภาวะความเบื่อก็เป็นของแปลกปลอมเข้ามาความทุกข์ก็เป็นของแปลกปลอมเข้ามานะใจจะค่อยตั้งมั่นขึ้นมาคราวนี้ใจจะตั้งมั่นเป็นกลางกับสภาวะจะสักว่ารู้สักว่าดูจริงๆน้าหมอตุ๊กหมาทุ๊กส่วนใหญ่ตอนนี้มันเหมือนกับไปเกาะ อ, อยู่กับจิตผู้รู้มันมันจะแช่แช่นิ่งๆอืแล้วก็มันมีอาการ ถ้ามันรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีขยับอะไรเนี่ยมันจะจับยึดแน่นจะดีที่รู้ทันนะมันกลัวมันกลัวมันกลัวคือในความเป็นจริงนั้นเรากลัวที่จะสูญเสียตัวเองไปพอเรามาพอนาเราเพบว่าตัวเราไม่มีชักกลัวละพอจิตจะหยุดอยู่กับความไม่มีอะไรซึ่งเป็นความจริงจิตจะกลัวจิตจะวกกลับไปยึดฉวย ถ้าไม่ยึดรูปประธรรมก็ยึดนามธรรมาบางคนไม่รู้จะทำอะไรนะจิตจะวกเข้าไปหาลมหายใจอัตโนมัติเลยไปจับลมไว้นะไม่กล้าปล่อยหรอกไม่กล้าที่จะไม่จับอะไรบางคนก็ไปจับเวยจิตเอาไว้ไปจับจิตไปจับความว่างเอาไว้อา้าวคุณเน่งตอนนี้จะรู้สึกมีง่วงแซรกเยอะคะ่ะเออบมีโมหะแล้วก็จิตไม่ค่อยมีกำลังเออตอบถูก<ะ>ใช้ได้เป็นกลางกับมันไหม ก็รู้สึกเฉยๆกับมันอยู่เหมือนกันค่ะบางครั้งก็มีขัดใจบางครั้งก็เฉยๆกับมันให้รู้ทันมันือนทันดีแล้วใช่ได้ก็ช่วงนี้มันยังเผลอบ่อยนะฮะแต่ว่าก็รู้ตัวเร็วขึ้นก็มีบางขณะรู้สึกว่ามันมันก็ยะแช่อยู่นิดหน่อยแช่ถูกต้องนะใช่ได้ คือการปฏิบัตินะตัวสําคัญที่สุดเลยคือการมีสติในชีวิตประจําวันเพราะชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ข้างนอกเนี่แต่ว่าไม่ใช่ละเลยการปฏิบัติในรูปแบบนะการปฏิบัติในรูปแบบถ้ามีโอกาสเราก็ทําเป็นครั้งเป็นคราวนะเพราะว่าในความเป็นจริงนะถ้าไปดูในพระไตรปิฎกในอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนนะพอพระไปบินธบาศเสร็จแล้วก็มาเดินโจงกลมมั่ง หรือบอกให้ครูบันลงังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเ น, นี่ยก็มีรูปแบบเหมือนกันการทำในรูปแบบมันทำให้เราไม่ไม่หลงนานไม่หลงนานเขากาศพูดแกล ย, ยมกันกนะครับในใครจิตหายบ้างใครจิตไปอยู่ที่พระบ้างอ่ะคุณวุฒวันนี้มันซึมๆะรือวันนี้มันซึมๆครับ แล้วมีฝุ่งสานอืมจับถูกนะจับถูกใช้ได้ะคุณมลแล้วไงอีกมีไหมถ้าทางยังติดใจอะไรอ่าให้คืนคุณวุฒิครับยังเสียดายใจเสียดายไมโครโฟนอ่ะให้อีกอ่ะคือไม่ได้มาหาหลวงพ่อห ล, หลายวันฮะพอมาก็เลยแบบฝุ่งสานนมันมามากขึ้นแล้วไงล่ะ ก็ช่วงนี้ภาวนาก็เห็นเห็นจิตมันไม่ตั้งมัน่นนะก็เลยก็เลยบริกรรมว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันก็รู้สึกมันมีความเป็นกลางมากขึ้นมันตั้งมั่นมากขึ้น<ะ>คือทําเมื่อบริกรรมไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็เป็นสมถ ะ, ะบริกรรมอะไรก็ได้นะแล้วแต่ใจมันชอบถ้ามันมแล้วแต่ช่วงช่วงไหนใช้คําไหนไใช่ บริกรรมก็เอ้ยก็ไก่เขาไข่ อ, อยู่ในเล้าก็ได้หลวงพ่อเกษมเขียมะกรูดก็เคยสอนนะก็เอ้ยก็ไก่เขาไข่ อ, อยู่ในเล้าฟังเราวกลุ่มใจอ้าวคุณมลก่อนหน้านี้นะคะจะเวลาช่วงไหนที่ดีๆผ่องใสก็จะรู้สึกชอบและอยากให้อยู่อย่าง น, านั้นนานๆพออะไรมาขัดใจหน่อยก็แบบโกรธแบบพังไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็แล้วก็ อะไรนะครับมองโกรธไม่เป็นนะครับก็โกรธโกรธอยู่ยงั้นจนมันเหนื่อยมัาข้ามก็หายโกรธไปคือถ้าเราปฏิบัติแล้วใจเราน้อมไปสู่สมถะนะน้อมไปที่สมถะใจเวลาภาวนาแล้วก็ใจจะนิ่งๆอย่างที่เป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะโกรธแรงเพรอหลุดออกจากสมถะมือโหแรงใจที่มันนิ่งๆทื่อๆมันรู้สึกพอพอกพอใจสบายสงบ เรต้องออกมากระทบกับโลกภายนอกรู้สึกไม่สบายเพรโมโหใช่ค่ะระวังติดสมถะนะเป็นเปนพราะติดสมถะเลยคะมนุษย์จามันติดวิ่งทําบุญนะคะมันสนุกแล้วมันก็เลยนั่นแหละทําบุญแล้วเราคิดถึงบุญไปเรื่อยนะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอนุสติอะไรอย่างไรจากขานุสติ ค, คิดถึงเรื่องจะวิ่งทําบุญไปเรื่อยนะใจเค้าอยู่กับการทําบุญทําทานของเรา ไม่เลิกสักทีเลยค่ะหลวงพ่อเคยเตือนมาตั้งหลายปีแล้วแบบพอวิ่งไปทำแล้วมันก็สนุกพอเลยมาขัดใจหน่อยก็โกรธขึ้นมาเลยนั่นแหละพวกบ้าบุญเป็นอย่างนั้นแหละอยากเลิกแหละแต่ดีกว่าพวกบ้าบาปนะอบ้าบุญดีกว่าบ้าบาปเพราะพอมันโกรธไปแล้วนะคะแล้วคุณโน้ก็ถึงมาเตือนว่าเนี่หลวงพ่อเคยบอกแล้วว่าได้แค่นี้่ไม่คุ้มเลยอะไรอย่างนี้แบบวิ่งเหนื่อยแทบตายอืมไม่ใช่หลวงพ่อเตือนเราหลวงปู่เทศนะ ที่หินหมักเป้งมีแม่ครัวคนชื่อแม่บู่ชอบทําครัวนะตื่นมาตั้งแต่ตีสองตีสามมาทําครัวนะทำํำจนเช้าเสร็จแล้วล้างอะไรเสร็จเรียบร้อยนะบ่ายโมงบ่ายสองโมงมาทําอีกแล้วเตรียมวัสดุเตรียมวัตถุดิบอีกแล้หลวงปู่ท่านก็ค่อยๆบังคับว่าให้ลดลงเหลือ3อย่างนะวันนึงไม่ใช่ทํา10อย่างเด็กลุ่มใจมากนะเสียใจต้องทำน้อยอย่างนะ มาหลวงปู่บังคับอีกเอาอย่างเดียว บ, บังคับให้ทำมาละอย่างเท่านะั้นทั้งวัดนะมีกับข้าวมาละอย่างทั้งพระทั้งโยมเหมือนกันเลยแกก็ยังเสียใจนะหลวงปู่ก็เตือนบอกเจ้าอะทำกับข้าวให้คนเข้ามาภาวนาเจ้าได้บุญนะแต่บุญของเจ้าแค่นี้เพื่อนมาภาวนาเนะีเพื่อนได้บุญแค่นี้นะเจ้าโง่หลาย เหมือนหมดเลยโง่หลายโง่หลายบอกให้ภาวนาให้ทำบุญก็ทำนะไม่ได้ว่าไม่ให้ทำแต่ทำเมื่อมีโอกาสแต่ตัวสำคัญต้องทำแล้วประกอบด้วยสติด้วยปัญญาตลอดสายเช่นเราอยากทำบุญรู้ว่าอยากทำบุญไปทำแล้วปลื้มรู้ว่าปลื้มเห็นเลยความปลื้มเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้ได้บุญเยอะนะคือการทำบุญเนี่ยถ้าทานศีลภาวนาเนี่ย ภาวนาได้บุญเยอะการภาวนาก็ามีสองส่วนภาวนาที่มีสติปัญญากับภาวนาไม่มีสติปัญญาภาวนาแบบมีสติปัญญาได้บุญเยอะงั้นบุญใดประกอบด้วยสติปัญญานญญี่เป็นบุญใหญ่เป็นบุญใหญ่งั้นบุญใดประกอบด้วยความเคลือบเคลื่อนุ่มห ล, ลงก็เป็นบุญเหมือนกันแหละแต่ไม่ใหญ่ไป ห, หาครูบาอาจารย์ไหนมาบ้างนะตอนนี้ เจอหลวงปู่ท่านมั้งไหมแล้วอยู่แถวไหนหลวงพ่อจะไปกราบาท่านสักทีแล้วอยู่โรงพยาบาลประจําเลยเหรอแล้ ว, แ ล, วแล้วไม่ไปไหนเลยเหรอแล้วหลวงพ่อเคยโทรไปถามที่ไรนะไม่อยู่ทักทีมเมื่อเช้าอยู่ที่นี่สายอยู่ที่นี่กลางวันอยู่ที่นี่แล้วเมื่อไร่จะอยู่วิชา ย, ยุทธนี่ไม่รู้เหมือนกัน อืมเลยตามท่านไม่เจอสักทีก็ท่านแบบนักร้องลูกทุ่งเลยเดินสายถามใครบอกอยู่วิชัยยุดนะแต่ถามว่าอยู่ตอนไหนไม่มีใครตอบได้ครู้าโ อ, อยังอยู่กับท่านไหมไม่อยู่ได้ไปเห็นใจที่เต็มอิ่มนะคะหลังจากที่เห็นทุก ในจิตนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นแล้วเขายอมรับสภาวะธรรมตรงนี้เขาก็ใจเขาก็เต็มอิ่มขึ้นมาหลายวันที่เป็นอย่างนั้นนะคะอย่าไปติดอิ่มน ะ, ะใจติดอิ่มแนละ้วแต่พอหลังจากนั้นก็ไปเจอสภาวะธรรมอันนึงที่รู้แป๊บเดียวเองนะคะแล้วก็ดับไปแต่ไม่ทราบว่ารู้อะไรมัน เ, ออเร็วมากเลยะะต้องอย่างนั้นแหล ะ, ะนะรู้แล้วยางรู้ว่ารู้อะไรนะรู้ไม่เก่งหรอก ถ้ารู้แล้วไม่รู้ว่ารู้อะไรนะถึงจะเก่งค่ะเพราะว่าบัญญัติมันเข้าไม่ทันสติมันเร็วแต่ใจติดนะดูออกไหมติดความสุขไปแล้วติดความเฉยดูออกไหมเจ้าค่ะแต่ดูนะอย่าติดนะเจ้าค่ะคุณหลันขึ้หลันเห็นสภาวะที่กังวลนะคะแล้วก็คิดบ่อยอ่ะคิดบ่อยมันคิดบ่อยทุกคนนะคิดทั้งวัน่ะ เป็นหลงคิดนะคะ ห, หลงคิดนะคะไปบังคับใจให้นิ่งดูออกไหมค่ะไปกดใจไว้ค่ะอย่าไปกดอย่าไปกลัวหลงค่ะถ้าเรากลัวหลงเราจะไปกดเอาไว้ค่ะแล้วก็นิ่งนิ่งทื่อๆอยู่งนะั้นน่ะนั่นแหละหลงละค่ะเพราะั้นไม่ต้องกลัวหลงให้มันหลงไปหลงแล้วรูว้เอาค่ะแต่ว่าไม่ทิ้งรูปแบบนะถ้าทิ้งรูปแบบแล้วหลงนาน ทุกวันนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรนี้ไหว้พระสวดมนต์ทำไปมีบางคนนะเพี่ยวสอนกันบอกว่าอย่าไปไหว้พระนะเป็นศิลปะตาปรามาศไปไหว้ทองเหลืองตรงแหนใครเขาไปไหว้ทองเหลืองนะใจลอยไปแ ล, ล้วล่ะส่งไปกลับจะมาซับการพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวนะนนพ่อขอเวลานักแป๊บหนึ่งความทุกข์กับชีวิตเนี่ยเป็นของคู่กันนะ งั้นเวลาชีวิตเรามีปัญหาขึ้นมาไม่ต้องต ก, ออกตกใจหรอกมันเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตคนไหนชีวิตราบรื่นมากเลยนะแล้วทํากรรมฐานไปสบายๆนะพอพรอนาเป็นแล้วเนี่ยเวลาจะไปสอนคนอื่นนะมันไม่ทราบซึ้งถึงใจนะมันไม่รู้เลยเขามีปัญหายัางไงงั้นโอ้ถ้าชีวิตเรามันโหดสุดๆนะผ่านความทุกข์มาเยอะอะไรเนี้ย มันเข้าใจคนอื่นได้เยอะอย่างสมัยพุทธกาลมีผู้หญิงคนหนึ่งที่สามีตายลูกตายพ่อแม่ตายเป็นบ้าเลยตอนหลังท่านปตาจราใช่ไมนี่ปตาจารานี่ผู้หญิงอะชอบไปเรียนกรรมฐานกับท่านเพราะท่านเข้าใจชีวิตดีกลายเป็นอาจารย์ใหญ่เลยนะคนไปเรียนเยอะงั้นจริงๆความทุกข์หรือปัญหาชีวิตเนี่ย ในแง่หนึ่งแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยแต่ในแง่หนึ่งนะเป็นทรัพยากรที่ดีมากนะสำหรับคนที่จะเรียนไปเป็นครูบาอาจารย์เขาโดยส่วนใหญ่แล้วจะตามรู้ไม่ทันปัจจุบันนะคะอย่างบางครั้งเนี่ยความคิดเนี่ยมันจบไปแล้วความคิดนั้นจบไปแล้วก็ค่อยมารู้ทีหลังอย่างแบบบางทีหนาทีสิบนาทีบางครั้งเป็นชั่วโมงเียค่ะแล้วก็ยังปิดเรื่องที่จะมีการเอ่อปัญญติคํม อยู่ในใจอะค่ะบางครั้งแบบจําคําหลวงพ่อจากการฟังซีดีแล้วก็แบบจะนึกขึ้นมาว่าคิดแล้วนะหลงคิดแล้วนะอะไรเงี้ยใจมันยังไม่ค่อยตื่นขึ้ น, นมาเราต้องหาเครื่องอยู่อันหนึ่งให้จิตหาเครื่องอยู่มาหนึ่งนะพอใจคลาดเคลื่อนไปจากเครื่องอยู่นะั้นเราก็ได้รู้ทันว่าหลงไปละมันจะไม่หลงนานเช่นอาจจะอยู่กับพุโทโธก็ได้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปนะไม่มีอะไรทํำก็พุโทโธไปหรือบางคนใช้ขยับขยับนิ้วยี้ขยับไปเรื่อย ไม่ใช่ขยับเพื่อให้จิตนิ่งไม่ใช่พุโทโธเพื่อให้จิตนิ่งแต่ขยับไปพุโทโธไปพอใจไหลแวบไปก็รู้สึกละมันลืมพุโทโธไปหรือลืมการขยับไปนั่นเราคอยรู้สึกถึงการขยับร่างกายไว้ก็ได้หรือรู้สึกถึงการพุโทโธไว้ก็ได้อันนี้เป็นเครื่องช่วยนะเครื่องช่วยให้สติเราไวขึ้นไวขึ้นพอมีสติแล้วเราค่อยมาเจริญวิปัสสนาอีกทีหนึ่งต้องให้มีสติก่อนหนะ้าถึงจะเจริญสติได้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 พอเรามีสติแล้วเราก็มาเรียนขั้นที่สองเรื่องการเจริญปัญญาวิธีรู้รูปวิธีรู้นามนี่ก็มาเรียนเพิ่มเติมขั้นแรกเรียนให้มีสติอยากมีสติให้รู้สภาวะลงปัจจุบันไปนะเช่นหัดพุทธโธพุทธโธหัดหายใจไปเงี้ยนะพอใจหนีไปคิดแล้วก็รู้ใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้นะใจฟุ้งซ่านก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆพอเรารู้เราจําสภาวะได้แม่นแนละ้วสติจะเกิดเองนะเกิดอัตโนมัติเลยครั้งนี้ทั้งวันทั้งคืนนะเกิดเองเลย นการทําในรูปแบบสําคัญนะในรูปแบบสําคัญเบื้องต้นต้องมีวิหารธรรมอันนึงมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งก่อนบางคนถนัดเดินจงกรมก็เดินไปเดินไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเพ่งนะบางคนชอบไปเดินเพ่งอยู่ที่เท้าอะไรเงี้ยถ้าเดินเพ่งเท้าก็ได้สมถะแต่ถ้าเดินไปเรื่อยๆนะเห็นร่างกายมันเดินไปใจมันลอยแวบลืมร่างกายของเราไปเราก็รู้ทันว่าใจลอยไปล้ก็มารู้ร่างกายที่เดินไปอย่างสบายๆต่อไปไม่เค้นใจนะ ใช่เข็นบังคับกายบังคับใจให้เดินสบายเดินรู้กายไปพอใจไหลแวบไปก็รู้ทันมันลืมกายต่อไปพอใจเราอยู่ในชีวิตประจําวันพอใจเราขยับตัวแวบเห็นเลยเห็นเองสติเกิดเองงั้นเรามือใหม่หัดขับนะต้องมีวิหารธรรมไว้อันหนึ่งในสติปัฏฐานท่านหนึ่งสอนไงว่า กายเยกายานุป ay ัสสีว <ati> ิหารติวิหารติคือมีวิหารธรรมเอากายในกายเป็นวิหารธรรมเวทนาในเวทนาจิตในจิตเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่แว่นหนึ่งเราไม่รู้จะเอะไรเป็นเครื่องอยู่นะเราขยับมือเป็นเครื่องอยู่ก็ได้จิรัตรุนแรงไป น, นั้นทำด้วยโลภะละโลภะแทรก <laughs> ไม่ต้องไปกลัวนะโมหามันเหมือนน้าน้าเน่า ที่น้ำเน่าเพราะน้ำมันนิ่งนะงั้นทําให้น้ํามันเคลื่อนไหวเอาใจออกมาทํางานเดี๋ยวโมหะก็หายนะให้ใจมันเคลื่อนไหวให้ใจมันทํางานรู้สึกไหมพอทํางานออกมามันก็หายอย่าปล่อยให้น้ํานิ่งนะน้ํานิ่ง น, น้ําก็เนะ่าคนละเรื่องกับบางคนเดี๋ยวบางคนเข้าใจผิดนะว่าหลวงพ่อไม่ให้ทําจิตสงบคนละเรื่องกันนะนี่เรื่องเฉพาะตัวของคุณจิรัติเขา เขานิ่งเกินไปจนกระทั่งจิตมันติดความนิ่งๆิ่งซึมไปเลยเขาคนอื่นไม่ใช่นะกรรมาฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกเราต้องสังเกตว่าตัวเราทำอะไรแล้วสติเกิดบ่อยก็เอาอันนั้นแหละเดี๋ยวเชิญโยมไปทานข้าวเลยไป